ความโกรธเนี่ยไม่มีขยะให้เกิดแต่เรามักจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นในกายเราเป็นประจำลองสังเกตดูเวลาโกรธเนี่ยกายเราเป็นอย่างไรมันร้อนมันผ่าการที่เราเนี่ยจะสามารถระงับความโกรธได้เนี่ย อย่างแรกต้องเริ่มต้จนจากการที่เราเห็นโทษของมันว่ามันมีผลเสียต่อร่างกายหรืจิตใจของเราอย่างไรเดี๋ยวนี้เนี่ยการแพทย์นี่ก็พบแ ล, แล้วว่าคนที่โกรธแรงๆโกดจัดๆเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีโอกาสหัวใจวายภายในสองชั่วโมงเนี่ยแปดหรือเก้าเท่าของคนที่ไม่โกรธ นั้นถ้ารักตัวนี่นะก็ต้องพย า, ยามอย่าให้ความโกรธเนี่ยมันเข้ามาครอบงาำจิตารของเราวิธีที่จะรับรับความโกรธนี่นะถ้าเราเริ่มต้นจากการที่เรารู้ว่าความขวดไม่ดีอย่างไรเนี่ยนะเราก็ลองนะลองสังเกต ร, ร่างกายของเราหลายคนเนี่ยพอโกรธแล้วเนี่ยนะถ้าปล่อยให้ใจเนี่ยมันจมอยู่ในความโกรธนะมันยิ่งโกรธนั ลองดึงจิตออกมาอยู่ที่ลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจ ย, ยาวๆอาจจะบริกรรมไปเรือยก็ได้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโพหรือว่าหายใจออกครั้งแรกก็นับหนึ่งหายใจออกครั้งที่สองก็นับสองนับไปถึงสิบเอาใจมาอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยจะช่วยทําให้ความโกรธทุเราเลง ลมหายใจของเราเนี่ยนะถ้าเราเอาใจใส่ลงไปนะมันจะกลายเป็นลมพิเศษลมพิเศษเนี่ยมันอยู่กับเราแล้วเพีแต่เราเอาใจใส่ลงไปหมายความว่าเราจดจ่อใส่ใจอยู่กับลมหายใจไม่ว่าจะโกรธเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะเดี๋ยวไปสนใจว่าโกรธเรื่องอะไรเอาทิศกลับมาที่ลมหายใจเอาใจใส่ลงไปในทุกลมหายใจที่เข้าและออก ลมพิเศษนี่เนี่ยนะมันจะดับความรุ่มร้อนในใจนะเวลามีอะไรหนักองค์หนักใจเนี่ยทำให้เครียดทำให้พิ่ตรกเนี่ยไอ้ลมพิเศษเนี่ยมันจะช่วยปัดเป่าทำให้ใจเบาเวลาเราสึกติดตันบีบคั้นนะลมพิเศษเจะช่วยทำให้ขยายใจเราให้กว้างให้โปร่งโล่ง หัดใช้ลมที่เสรีทรเป็นนะเอาใจน้อมมาที่ลมหายใจนะเข้าออกลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวอีกวิธีเนึ้งคือว่าเวลาโกรธเนี่ยลองสังเกตกายของเราร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรลมหายใจเป็นอย่างไรหัวใจเป็นอย่างไรกล้ามเนื้อเกรงตรงไหน น, นั่นนี่คือกหมวดไหมลองสังเกตดูอันนี้เขาเรียกว่าให้กลับมารู้ใจกลับมาดูกายกลับมาดูกายมันจะช่วยทําให้ความโกรธของเราเลงเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะผละจากคนหรือคําพูดหรือการกระทําที่ทําให้เราเจ็บปวดถ้าจิตเราไปจดจ่ออยู่กับคนนั้นการกระทําของเขาคําพูดของเขาเนี่ยเราจะยิ่งโกรธ เราต้องถอนสิ่องออกมาไปอยู่กับสิ่งอื่นเช่นลมหายใจหรือมารับรู้ดูกายว่ากายเป็นอย่างไรนะมันช่วยได้เยอะคนส่วนใหญ่นี่ไม่สังเกตนะว่าเวลาโกรนเนี่ยลมหายใจมันถี่หรือสั้นมันถีไ่ไหมสั้นไหมไม่สังเกตว่าหัวใจมันเป็นอย่างไรไม่สังเกตว่าตอนนั้นเนี่ยหน้านมีผิดสมอ่หรือเปล่านะไม่สนใจว่าตอนนั้นเนี่ยมือเท้าเกรงนะ็งไหมลองมาดูตรงนั้นดูนะ นี่เป็นวิธีแรกนะก็คือว่ากลับมาอาศัยกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลมหาใจหรือไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆในร่างกายของคนเรานะประการที่สองนะก็คือให้มีสติมาดูใจนะอันนี้ยากขึ้นมาหน่อยนะมาดูใจว่าตอนนั้นเนี่ยความโกรธ มันเกิดขึ้นในใจเราอย่างไรคนเราเวลากลัเราไม่รู้ตัวนะเวลากลัวเราไม่รู้ตัวแต่ทันทีที่เรามีสติหรือตั้งสติได้เนี่ยพอเราตั้งสติได้ความกลัวมันก็จะทุเลาส่วนใหญ่คนจะได้สติก็มือมีคนมาพักมีคนมาพูดแต่ว่าถ้าไม่มีคนไม่มีไม่มีใครมาทักมีใคร ม, มามมเตือนเนี่ย สติเราเนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยกลับมารู้ตัวได้ไวเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าทํำไงจะตัดความกรธให้า่าดหลวงปู่ดูลตอบว่าไม่มีใครทำได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองไอ้รู้ทันได้เพราะอะไรเพราะสตินะแต่ที่จริงอาจามาที่อาจารย์มาได้แนะนําเมื่อสักครู่ให้มาดูใจและให้มาสังเกตลมหายใจ ให้มาสังเกตร่างกายเนี่ยก็มีส่วนทําให้มีสติขึ้นมาได้อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าให้ลองมองเห็นความดีของคนที่เราโกรธนะว่าที่ผลที่เราโกรธก็อาจจะเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเป็นลูกนะเวลาเราโกรธจะเห็นแต่ความไม่ดีของเขาลองเปิดใจมองเห็นความดีของเขาดูบ้าง พอเราเห็นความดีของเขาเนี่ยมันจะช่วยทำให้ความโกรธทุเราลงนะมันจะช่วยทวงดุลไม่ให้จิตเนี่ยเป็นอกุศลมากลองคิดถึงความทุกข์ของเขาคนที่เขาว่าเราคนที่เขาด่าเราเนี่ยมันยังก็มีความทุกข์ ลูกเขาอาจกำลังเจ็บป่วยแม่เขาอาจจะอยู่โรงพยบาบาลหรือเขาเพิ่งประสบกามสูญเสียพอเราเห็นว่าเขามีความทุกข์นะเราจะเห็นใจเขาคนธรรมดาเนี่ยไม่อยากจะด่าใครไม่อยากจะทําร้ายใครแต่ที่เขาทำเพราะเขาเพล而这ที่เขาเผลอก็อเขาทุกข์เขา ม, มีความกัดกรุ้ง นะมันก็เหมือนกับหมาเนี่ยที่ถูกที่มีบาดแผลเนี่ยเช่นถูกรถชนเนี่ยนะใครจะเข้าไปช่วยเนี่ยมันจะเห่าเพราะอะไรเพราะมันกำลังเจ็บนะเราต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเข้าใจดังั้นถ้าเราเข้าใจว่าถ้าเรามีความอดทนหรือมีความตระหนักว่าคนที่เขาทาให้ระบาเดเจ็บเจ็บปวดเนี่ย เขาใช้คำพูดแรงๆกับเราเนี่ยเขามีความทุกข์บางทีความทุกข์ของเขาเนี่ยมันสะสมมาตั้งแต่วัยเด็กกลายจะเป็นคนขาดความรักขาดความอบอุ่นไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่เป็นคนที่ขาดทุกอย่างในชีวิตเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีนินสัยเก้า้าวแข็งกระด้าง งั้นถ้าเราเห็นนะว่า เ, ออเขาผ่านความทุกข์มาเยอะหรือเขากำลังมีความทุกข์อยู่เขาจึงมีพฤติกรรมแบบนี้เราก็จะไม่โกรธเขาเราจะให้อภัยเขาและมันจะนำไปสู่ความเมตตาความสงสารเขานะลองมองในมุมแบบนี้ดูบ้างนะว่า อะไรทำให้เขาต้องพูดกับเราแบบนั้นอะไรทำให้เขามีนิสัยแบบนั้นพอเราเข้าใจเขาแล้วเนี่ยนะเราจะเห็นใจเขาแลวเราจะให้อภัยเขาและเมตตากรุณาก็จะเกิดขึ้นได้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารักตัวนะเราต้องระวังไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นมาในใจ คนที่เขาพูดอะไรกับเราเนี่ยมันไม่ทำให้เราทุกข์หรอกถ้าจะเราไม่เผลอเปิดช่องให้คำพูดเขาเนี่ยมาทึชแทงใจหลายคนเนี่ยถ้าก็วางใจเป็นเนี่ยเขากลับถึงประโยชน์ของคำต่อว่าด่าทองที่วัดทำกองเพลง สมัยที่หลวงปู่ขาวอนาลโยยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยมีแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีสาเป็นคนที่อุปถักภ์พระพนเนรดีมากแล้วก็ปฏิบัติดีด้วยวันหนึ่งหลวงปู่ขาวก็สั่งให้พระสองรูปขึป้นไปลูกศิษย์ไปต่อว่าไปดูดา่าแม่ชีสาต้องสองรูปนี้ก็คงจะงงกันนะ แต่ครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องไปเสร็จแล้วไปถึงก็ไปที่สุสานแม่ชีสาแล้วก็เรียกแม่ชีสาวออกมาพอแม่ชีสาวออมาก็ด่าเลยแม่ชีสาทีแรกก็งงแต่ว่าตั้งสติได้ก็นั่งถนมมือฟังด้วยความสงบทั้งสองท่านด่าจนไม่รู้จะดา่ายังไงละแทนที่ม่ชีสาจะกโกรธ แต่ที่แม่ชีสาจะน้อยเนื้อต่ใจว่าทําไมครูบาอาจารย์มาว่าเราเราทำดีทําไมครูบาอาจารย์ไม่เห็นแล้วถ้าเกิดคนหนึ่งรู้ว่าเราถูกด่านี่เราจะน่าทุกขไว้ที่ไหนแม่ชีไม่แม่ชีสาไม่มีความคิดแบบนี้เลยแม่ชีสาก็พูดขึ้นมาว่าถ้าอาจารย์ดูด่าดีชั้นเสร็จแล้วเหรอดีชั้นสองราาักษาพึงใจเหลือเกินเสียงด่าเป็นเสียงธรรมะทั้งนั้นเลยคราวหน้านี่มนมาด่าบ่อยๆนะอี่เล่จะได้หมดสักที คนที่ทอบชลาเนี่ยเขาจะไม่ยอมให้คำดุดา่าคำว่าร้ายเนี่ยเข้ามาทิ้มแทงจิตใจเพราะรู้ว่าทำงันจะเป็นทุกข์จะต้องรักษาใจเอาไว้ด้วยสติหรือมิฉะนั้นก็ทาอย่าไม่คีดสาคือมองว่ามันเป็นแบบฝึกผัดที่มาฝึกฝนคติธรรม ที่มาช่วยลดกิเลสช่วยขัดขัดใจนะขัดอัตตาให้หมดไปคนเราโกรธเนี่ยเพราะมีสิ่งขัดใจเรานะคนเรามันจะโกรธเมื่อมีสิ่งขัดใจแต่ว่าขัดใจเนี่ยมันมีสองความหมายนะอันที่หนึ่งคือขัดใจแล้วเกิดความขุ่นเคืองเกิดความโกรธ อันที่สอคือขัดจานแล้วเนี่ยจานมันแวววาวนะเวลาเราขัดขัดจานเนี่ยขัดถูดจานเนี่ยจานมันก็จะสะอาดจานมันก็จะแวววาวใช่ไหมเจออะไรที่ขัดใจเนี่ยใช้มันให้เป็นประโยชน์ก็คือมาช่วยขัดอัตาให้มันลดน้อยถอยลงทําให้คีเลตเบาบางลงงั้นะถ้าเราเห็นแบบนี้เนี่ยนะเราก็จะ ไอ้คำดูดาวว่ากล่าวด้วยทำอะไรเราไม่ได้มีสติรักษาใจของเรา จำไม่ได้แล้วไม่เป็นไรต่อไปเลยมีเรื่องเล่าอันหนึ่งที่น่าสนใจนะมีลค่าที่เบสท่านหนึ่งเนี่ยท่านเคยถูกทหารจีนจับกลุ่มกลุมขัง และทรมานเป็นเวลา20ปีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ6 50-60 ปีที่แล้วสมัยที่จีนเนี่ยปยึดครองที่เดิตและพระในพุทธศาสนาก็ถูกลังควานถูกจับถูกทรมานเนี่ยเยอะเพราะไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลคอมมิวนิสต์หลังจากที่ถูกจับกุมคุมขั ง, ง, ขงมา20ปีท่านก็ได้รับการปล่อยตัว แล้วท่านก็หนีมาอยู่ที่ประเทศอินเดียทารละมะพอทราบเนี่ยก็ไปเยี่ยมท่านเพราะว่าเคยนับถือท่านทารละมะก็อยู่อินเดียก็ไปสัมภาษณ์ท่านประโยชน์หนึ่งที่ทารละมะถามท่านคือว่าตอนที่ท่านอยู่ที่นั่นเนี่ยกลัวอะไรมากที่สุดแที่่ทานบอกทที่ท่านจะบอกว่ากลัวถูกทรมานกลัวถูกจับกดน้ํา ท่านบอกท่านกลัวว่าจะไปโกรธและเกลียดคนที่ทรมานท่านทําไมอะ่ะนะแทนที่บอกว่ากลัวถูกทรมานกับตัวที่จะโกรธและเกลียดคนที่ทรมานท่านเพราะท่านรู้ว่าถ้าท่านโกรธเกลียดเขาเมื่อไหร่เนี่ยท่านก็จะผิดศีลได้ง่ายอาจจะทําร้ายเขาหรือว่าด่าแช่งเขาซึ่งมันเป็นบาสนะ และเมื่อทําบาปแล้วเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจตามมาภายหลังแต่ต่ะหนักรู้หตุผลสำคัญนะก็คือว่าท่านรู้ว่าทหารจีนเนี่ยอย่างมากที่ทําได้คือทาร้ายร่างกายท่านแต่คนเหล่านั้นไม่สามารถจะทาร้ายจิตใจท่านได้ มีสิ่งเดียวที่ทำให้จิตใจท่านได้คือการที่ปล่อยให้ความโกรธความเกลียดเกิดขึ้นในใจนะท่านรู้ว่าถ้าจะถูกทำร้ายก็ทำร้ายกายก็พอแล้วจะให้ใจถูกทำร้ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงพยายามรักษาใจไม่ให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาครอบงาและท่านรู้ว่าร่างกายถูกทำร้ายยังไม่ร้ายเท่ากับ จิตใจถูกทำร้ายด้วยความกวธความเกลียดดงั้นถ้าเราตระหนักตรงนี้เอาไว้เนี่ยนะเราจะไม่ยอมปล่อยให้ความกวธความเกลียดมาคลองใจเราใครก็พูดอะไรไม่ถูกใจเราใครก็จะด่าว่าเราก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์ไม่ถือสาไม่ใส่ใจหรือไม่เช่นนั้นก็เอามาใช้เป็นประโยชน์เอามาเป็นเครื่องฝึกฝึกถัด ด, ด, ด, ดัดแปลงจิตใจ ทำให้จิตใจเข้มแข็งช่วยลดอัตราหาประโยชน์จากมาให้ได้อย่างที่คุณแลกวิรียพันธ์เนี่ยอดีตเจ้าของเมืองโบราณเนี่ยซึ่งเสียชื่อไปนานแล้วเคยพูดว่าวันไหนไม่ถูกตำหนดวันนั้นเป็นอภปมงคลนะหลายคนพอถูกตำหนิเนี่ยจะรู้สึกว่าโกรธรู้สึกว่าซวย อันนี้ก็เรียกว่ากำลังซ้ำเติมตัวเองเนะเข้าว่าเราแล้วเนี่ยเราถูกเข้าว่าแล้วเนี่ยเรายังเราจะมาปล่อยให้ความโกรธทิ่มแทงใจหรืออันนี้เรียกว่าซ้าเติมตัวเองแต่ถ้าเราฉลาดเนี่ยเราจะใช้คำพูดนั้นให้เป็นประโยชน์เอามาเป็นเครื่องฝึกลดละอัตตาหรือเอามาพิจารณาว่า เราทำอะไรที่ผิดพลาดที่ควรจะแก้ไขบ้างเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าอย่าเผลอปล่อยใจให้ความโกรธเข้ามาครอมงำจิตใจเราป evet. กปังรักษาใจของเราด้วยสติหรือถ้าเกิดาเผลอเผล อ, อไปแล้วความโกรธเกิดขึ้นแล้วนะใช้ลมิเศษมาช่วย ปัดเป่าความโกรธมาช่วยทําใจให้สงบเย็นใช้สติมาดูกายว่ากายตอนนั้นเป็นอย่างไรหรือเอาสติมาดูใจว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีความโกรธเกิดขึ้นรวมทั้งการที่เราเนี่ยหันมาพยายามมองให้เห็นความดีของเขาคนที่ทําให้เราโกรธคนที่ทําให้เราไม่พอใจมันมีข้อดีอย่างไรบ้างมองเห็นความทุกข์ของเขา พ่เขาเจออะไรมาบ้างเ ข, ขาเจอความทุกข์ยากอย่างไรมาบ้างจึงอารมณ์ไม่ดีจึงมาพูดร้ายทําร้ายเราถ้าเราเห็นความทุกข์ของเขาเราจะเห็นใจเขาแล้ะเราจะให้ภัยเขาการให้ภัยเป็นสิ่งสําคัญมันเป็นยาแต่มาเรียกว่ายาสามันประจําใจถ้าเรามีความรู้จักให้ภยัย เราจะไม่เจ็บไม่ปวดนะเราจะให้เราจะสุขสบายยิ่งถ้าเราแผ่เมตตาให้เขาด้วยแผ่เมตตาทุกวันนะยิ่งใครที่ทําร้ายเราแผ่เมตตาเขาให้เขามีความสุขความปรารถนาดีใจเราก็จะยิ่งสงบเพียงก็ขอยุติเพียงเท่านี้ปีที่เท่าไหร่เนี่ยหครับ ว่าอาจจะไม่ไม่ตั้งคาวว่า